อัสมบ์ลาอิลลอฮ์มานุรรฮม alhamdulillahirobbin alamin وبه نستأيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلامualaikum warahmatullah wabarakatuh ความสันติสุขความเมตตาและความจาเนิญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ทุกท่านนะครับทำดุลแล้ววันนี้ได้กลับมาพบอีกครั้งนะครับในการใครควรอันกุรอานผมอยากจะนำเรียนร้องท่านแบบนี้ครว่าจริงแล้วไม่อยากจะให้เป็นเชิง การอ่นนานเสมอไปเดียวเพราะว่าการอ่านเนี่ยที่เราบอกว่ากิตามุลอันสันาห์มุเลงกัมุบาเราถูเลียเ้ลยงเจ้าประวัยคำทีไดนหมดที่เราได้ประทานมาอย่างเจ้าไปถึงท่านนอบอีสุลต่านก่อนเลยสำหรับแต่เวลาเราบอกว่าเพื่อการไข้ควรเนี่ยไม่ได้บอกเฉพาะท่านนบีอย่างเดียวนบีเป็นผู้รับสารและก็ส่งสารไปยังมนุษยชาติแต่เพื่อที่พวกเขาจะได้ไข่ครวรแสดงว่าเป้าหมาย ในการประทานลงมากออ่อนทุราเนจุดหลักเลยข้อหนึ่งสำคัญก็คือเพื่อการไตรควรจากนั้นก็อยากจะนำเรียนกับน้องทุกท่านนะครับว่าอยากจะให้เปิดเป็นวิทิสที่ผมจะนําเสนอไป็หลักกับชองน้องแต่ว่าถ้ามีโอกาสช่วงท้ายเนี่ยท่านใดต้องการที่จะได้ควรหรือต่อยอดบำ ม, มุงอาจจะสั้นๆก็ได้นะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์มากเพราะว่าบางครั้ง แต่และคนมีผู้อ่านคนละหเล่มหมายถึงว่าผู้อ่านตัวบทเดียวกันแต่การใช้ควรเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันและไม่มีผิดไม่ไดไม่มีถูกเพราะบางคนอาจจะมีประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันสามารถจะใช้ควรตัวบทได้ไม่เหมือนกันดังนั้นทุกคนจึงมีสิทธิ์มีสิทธิเ์เต็มที่ร้อซในการการที่จะใช้ควรผุรอานยุคหนึ่งสมัยหนึงเราอาจจะรู้สึกว่าผู้อ่านเป็นของสูงซึ่งเป็นความจริงผู้อ่านเป็นของสูง แต่ศูนย์วิธีนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราจะเข้าไปศึกษาไม่ได้เรียนรู้โดยตรงไม่ได้ทุกคนมีสิทธิ์ในการที่จะเรียนรู้บนกรอบความรู้บนกรอบการตักซีบนกรอบการอธิบายอัลกุรอานผ่านปัญญาวิลามะโดยเฉพาะบรรดาชาวสลับหรือว่าบรรดาซาฮาร์บะนั่นเองนะครับดังนั้นก็อยากจะเป็นเบื้องต้นให้กับพี่น้องว่าในช่วงตอนท้ายเนี่ยถ้าใครมีส่วนไหนจากเนื้อหา ที่ต้องการจะใขควรแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมอง ก, กันจะเป็นสิ่งที่ดีมากนะเพราะจะเป็นการปฏิบัติตามนโยบายเชิญรับผู้ทานผุรอานมาอันซึ่งนาอีเลยกะประธานไม้ท่านอ ด, ดีคนเดียวแต่เวลาบอกว่าเราจะให้ไขรควรดียดดับประหลุ <S <S เพื่อพวกเขาจะได้ใขรควรไม่ใช่เพื่อไม่ใช่เพื่อท่านอดีคนเดียวจะได้ใครวรเพื่อทั้งหมด นะฮะแต่แน่นอนว่าเราก็ต้อ ง, อองอศึกษาในข้อนบีซลฮะไอชัมหรือศึกษาความเข้าใจขา้นเบ็ดเอาไะนะครับเราศึกษากันในสุรอยูซุฟอะไรวิสลามนะครับมาถึงช่วงตอนอที่ผมทวนของเดิม์ฟเบ๊กน้อยนะครับช่วงตอนที่ดะบิอูซุฟได้ถูกจับขายไปเป็นทาสแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านของผู้ว่าการอียิปต์โดยผู้ว่าการอียิปต์เนี่ยสั่งให้ภรรยาของเขาช่วยดูแลดะอูซุฟ เพราะหวังว่าในบิวซุปน่าจะเป็นประโยชน์กับครอบครัวของเขาในอนาคตแล้วก็เป็นความจริงนะครับเพราะว่าอาซิสหรือพวากาอียิตเนี่ยเขามีสายตาที่เฉียบคมมองเห็นในบิวซุปแล้วรู้ว่าบุคคลนี้มีแววฉลาดบุคคลนี้น่าจะเป็นคนที่มีตะบูนหรือว่าเป็นคนที่น่าจะเกิดประโยชน์กับเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ผิดพลาดเกิดขึ้นก็คือไปมอบให้กับภรรยาสาว ในการที่จะดูแล น, นี่ผมดังเสิอก็เป็ครั้งที่แล้วนะครับว่าการอยู่ตามลำพังระหวา่างหุ่มสาวหรือชายนี่เป็นบทเรียนสําคัญมากเราจําเป็นจะต้องระวังไม่ให้เกิดเกิดความผิดพลาดดังกล่าวท่านระดาีซอลสัมเคยห้าไม่ให้ผู้ชายเข้าไปในบุคนลผู้ีก็ถูกถามว่าแม่บุคคลนั้นเนี่ยจะเป็นญาติสนิทกันนั้นหรือระดีว่าแม้จะเป็นญาติก็ตามยิ่งต้องระวัง จะอยวอัลฮับุลมาบุย่าสนิทเนี่ยคือความตายหมายถึงว่าเราอาจจะเกิดความตายใจแล้วก็ปล่อยประละเลยความผิดต่างๆเกิดขึ้นวงในอาอจะโหดเดยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนสําคัญแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเธอก็ได้อยู่กับมาบินซุปนะฮะดูแลตอนแรกก็เป็นในเชิงของในเชิงของเด็กรับใช้แต่ในยุซุปด้วยความฉลาดของท่านและร้อยให้หน้าตาดีนี่คือชัดเจนว่า เป็นจุดเด่นของดาบิวซุฟฟาริสลานะฮะจนทำให้เธอเนี่ยมีความคลอ้อยโน้มเอียงชอบดาีิวซุฟฟาริสลามแล้วก็จึงเกิดปัญหานะฮะในอายะที่ยี่ะเชื่อเราได้บอกวาราวัทคุลและีหัวฟีไปติฮานับสินะเธอก็ได้ยั่วยวนดามิวซุฟฟาริสลาหแล้วก็ปิดประตูหลายบานเลยนะฮะแล้วก็เชิญชวนดามิลซุฟดมิลซุฟเนี่ยได้กล่าวของความพร้อมต่ออัลล์มาอัลลอฮอันนี้ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เด s ิวซ์ฟอิสลสมทำทันทีเมื่อประสบกับความชั่วร้ายแจะเป็นบทเรียนเหมือนกันเวลาเราอาจจะก้าวเดินไปสู่ความชั่วความผิดต่างๆเราไม่สามารถจะยับย้งความผิดด้วยกับตัวเองได้นอกจากต้องให้อลลอร์คุ้มครองและเดบิวซุฟก็ทดแทนความคิดที่ไม่ดีด้วยกับความคิดที่ดีอันนี้ก็เป็นเทคนิคนให้ทดแทน ความผิดที่เราจะทำเนี่ยถ้าเราจะหยุดความผิดนั้นต้องมีสิ่งทดแทนอันนี้เอาเป็นหลักสูตรที่เราใช้ได้ตลอดนะฮะหรือแม้แต่ผู้อยู่ภายใต้การปกครองเราจะเป็นลูกจะเป็นลูกศิษย์จะเป็นหลานใครก็ตามนะฮะถ้าจะห้ามเขาไม่ให้ทําอะไรนะต้องมีสิ่งทดแทนแต่บิ๊กซู๊ดกเชเดียวกันความคิดมันจะไปนะ้วใช่ไหมฮะแต่เรามีสิ่งทดแทนจะเป็นเชิงทรอยต์กับเจ้านายของท่านใช่ไหมฮะ ดบิซุบีบทดแทนว่าอินนูรบีอักษรนัมควไวเขาเจ้านายเนี่ยทำดีกับฉันนึกอกไหมฮะแล้วฉันจะไปทรยศต่อเขาได้อย่างไรดิบซุบใช้หลักการทดแทนเฮ้ยถ้าฉันทำแบบนี้มันใจมันลบเยียงนะแต่ว่ามาทดแทนแบบนี้มันผิดรู้อยู่ในใจก็เลยทดแทนความคิดอันนี้ก็เป็ น, เ, ป น, เ, ปนเทคนิค ที่ดีมากนะครับแล้วก็ท่นานเนี่งก็รับทราบว่าไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จนะครับเราก็เลยบอกว่าเวลาเราทำบัญชีดีว่าทำระดีนะเธอบรรษนาในตัวนบีซุปนบีซุปก็มีมความรู้สึกเหมือนกับคนทั่วไปนะอุลามาก็บอกว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดทําให้เราทราบว่าบรรดาอันบีและเราซูนเป็นแบบอยา่างไม่ใช่เป็นเป็นทูตหรือเป็นมาเลกันกที่ม่มีความรู้สึกในเพศตรงข้ามนึกออกไหมฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไม เราซูสหรือนาบีเนี่ยเป็นคนทําไมต้องแต่งงานทําไมยังคงเดินตลาดทำไมไม่เป็นเทวดาแต่สําหรับครสลิมเนี่ยเราถือว่าการที่นาบีและเราซูสเป็นคนการที่นบีและเราซูสเป็นคนกินดื่มเดินตลาดจับใจทําการค้าเป็นจุดเด่นเพราะอะไรครับเพราะเราจะได้มีแบบอย่างในการดำเนินชีวิตคนทั่วไป ถ้านบียูซุหรือบรรดานบีเลอโรซุเจอผู้หญิงหรือเออเขาเรียกอะไรนะอยู่ตามลำพังแบบนี้เนี่ยไม่มีความรู้สึกเราก็จะบอกได้ว่าอ๋อนี่คือนบีใช่ไหมฮะหรือพี่น้องเราดูทาไมเราต้องกล่าวว่าเธอมาถานบีตัวนบียูซุและนบียูซุก็มีความรู้สึกในตัวเธอทําไมนะเพื่อจะบอกว่านบีเป็นต้นแบบของพวกเราทุกคนไม่ใช่ว่าเป็นความเข้าใจผิดของบางคนที่บอกว่าบรรดานบีเราโรซุคือต้องตัดกีเลสไม่ใช่ต้องตัดกีเลส แต่ต้องควบคุมกิเลสด้วยความต้องการไม่ให้ฝ่าฝืนคําสั่งของอรรถสุภาษณ์หัวละแต่เราบอกสั้นๆนะแต่บางคนก็ลงลึกไปคำ น, นีดีเพราะ ม, ม, มันคือคำพีกุฎานี่คำพีที่บริสุทธิ์ไม่ใช่เป็นเป็นเรื่องที่มันออไม่ดีไม่งามนะครับแต่อรรถจำเป็นต้องบอกไว้เพื่อเราจะได้เข้าใจว่าในวีสุทมีความรู้สึกแต่ว่าท่านเห็นอะไรบางอย่างแล้ละอรอะอรอะบุรานารอบบีและเป็นการปกป้องจากอรรถนะครับให้พ้นจาก ความชั่วร้ายแล้วเราก็สรุปอินน ahu ิน n ibadina muklasin แท้จริงยูซุฟเนี่ยพี่น้องลองดูคํานี้นะอิคลาสแปลว่าอิคลาสมุคลซินต่างกับมุคลซินมุคลซินแปลว่าผู้อิคลาสแต่มุคลาซินแปลว่าผู้ได้รับอิคลาสหมายถึงว่านบยวซุฟอะลิซามใช่ท่านเป็นคนที่อิคลาสแต่อเลาบอกว่าท่านได้รับอิคลาสจากอัลลอฮ์นั้นแสดงว่า ความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจเนี่ยลำพังเราเองเนี่ยอาจจะอาจจะไม่รอดอาจจะไม่พ้นหรืออาจจะไม่สามารถจะสร้างเนเป็นริสกีที่มาจากอัลลอ์นั้ น, เ, นเราก็ขอขอให้เราได้เป็นคนที่อิคลาสอัลลอ์มารุุกนั้นอิคลาสฟินโกลิวันอามัลอัลอฮ์ได้โปดประธานริสกีของเราด้วยการอิคลาสในคำพูดและการกระทำใช่ไหมฮะอัลลอ์บอกว่านบยุได้รับอิคลาสอินูมินอิบดนัมุคลซีนแล้วก็เช่นกัน ท่านเวลาเห็นความผิดแล้วเนี๋ยวิ่งอันนี้ผมทวนเล็กน้อยนะครับเห็นความผิดแล้วไม่ใช่เฉยไม่ใช่บอกแทนอีคลาสอันนี้ก็มันเป็นตัวอย่างที่ดีบางคนจะเข้าใจว่าอ๋อฉันไม่ไม่ไม่ได้คิดอะไรกับเขามันไม่ใช่ไม่คิดอย่างเดียวอีคลาสที่แท้จริงก็คือต้องออกห่างจากชูบูฮัตด้วยหรือออกห่างจากความผิดความชั่วด้วยบางครั้งเราอาจจะไม่คิดใช่สมมติว่าจะไปเดินในสถานที่สมมุติว่าในผ่านั้น ขับร้านบาอะไรแบบเนี้นะฮะเราก็ไม่ได้คิดอะไรและเราไม่ได้ไปทําอะไรเราอีคลสัสแต่อีคลัสที่แท้จริงก็คือต้องไปไม่ไปอยู่แถวนั้นทําไมฮะเราอีคลัสก็จริงแต่คนอื่นเนี่ยเขาเห็นแล้วเนี่ยอาจจะกล่าวหาเราได้ ไ, ไปเดินทําอะไรตรงนู้นศา ส, สนาเนี่ยสอนสองฝั่งสอนว่าตัวเราเองต้องพยายามออกห่างไกลจากชูบูฮาร์ตหรือความสงสัยที่คนอื่นอาจจะกล่าวหาเราได้ขณะเดียวกันคนอื่น ที่จะมองมาไปเห็นคนหนึ่งไปเดินแถวแถว R C A หรือไปเดินอะไรนี่ฮะเราจะไปบอกเขาไม่ได้อ๋อนี่เขามาเที่ยวบอกไปบอกไม่ได้เราอาจจะบอกว่าอ๋อวันนั้นไปเห็นเขาถ้าไม่บอกดีที่สุดไม่พูดดีที่สุดนะครเพราะอะไรฮะให้มองคนอื่นในแง่ดีเสมอขณะเดียวกันคนที่จะถูกมองเนี่ยก็ต้องพยายามทําให้ตัวเองไม่มีข้อค้อรหัสนี้ท่านนาบีสั่งเราซ้ำเองท่านก็ได้ปฏิบัติ ป, ตประจําไม่ให้มีข้อคอรหัในสายตาของผู้คนท่านนาบีอิคลัสอย่างเช่น ท่านได้พูดกับภรรยาของท่านช่วงอียติกาฟแล้วมีซาบะชาวซ ส, สองคนเนี่ยเดินผ่านมาปรากฏว่าแล้วเขาก็รีบวิ่งไปเพราะเห็นนบีกําลังคุยกับภรรยาอยู่เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครฮะนบีก็บอกว่าอิลาร์สลิกูมาอย่าได้วิ่งไปช้าๆมานี่ก่อนนานบีเรียบเรียบรีบเรียกมาเลยนะฮะซาบะสองท่านนี้ก็เลยมานบีบอกว่าเนี่ยเป็นภรรยานี่คือภรรยาของฉัน ทำไมต้องต้องบอกเนีฮะน บ, บีเขาก็เลยบอกว่าสุภาเราไม่ได้คิดอะไรเลยว่าน บ, บีจะไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นตามลําพังสองตเราไม่ได้คิดเลยน บ, บีบอกใช่พวกท่านไม่ได้คิดก็จริงแต่ชัยตอนมันวิ่งที่เส้นเลือดวันนี้อาจจะไม่คิดหรือตอนนี้ จ, จะไม่คิดอาจจะไป ค, คิดทีหลังก็ได้เพราะชัยตอนมันกระสิปกระซาบเห็นไหมฮะดังนั้นหน้าที่ของเรา穆斯林เนี่ยต้องพยายามขาจัดถามว่าท่านน บ, บีบริสุดใจต่อล้อนไหมครับโดยสุดใจและทําผิดไหมฮะ ทำสิ่งนี้ถูกต้องคุยกับภรรยาได้ไหมครับได้ไม่ได้ผิดอะไรใช่ไหมฮะแต่ภาพลักษณ์ที่ออกมาเนี่ยจำเป็นต้องแสดงให้คนเข้าใจว่าเราเป็นคนบริสุทธิ์ด้วยไม่ใช่เป็นการอวดไม่ได้เป็นการแสดงเปล่าแต่เนื่องจากว่าคนจะมาเข้าใจผิดเนี่ยมันไม่ดีไงมันเกิดความไม่ดีกับตัวเขาเองและเกิดความไม่ดีกับภาพลักษณ์ของเรานะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่สําคัญมากนะครับที่ บ่งบอกถึงความเข้าใจของคําว่าอิคลาสอย่างถูกต้องอิคลาสนี่คือไม่ใช่บอกว่าระหว่างเรากับอัลลอฮ์แน่นอนระหว่างเรากับอัลลอฮ์แต่คนอื่นถ้าเขามองเราก็ต้องเห็นว่าเราสะอาดโดยอิสลามจึงส่งเสริมให้รักษาความสะอาดทั้งภายนอกแล้วก็ภายในภาพลักษณ์ไม่ใช่ดูว่าเป็นคนแปดเปื้อนขณะเดียวกันข้างในก็เช่นเดียวกันก็เป็นคนที่สะอาดนะครับเราไม่เลือกอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับอ่า แล้วตอนหลังก็เธอเธอก็ไปเจอนา บ, บียูซุปวิ่งห น, นะบบ น, นีนัสตาบกกล์บับบอกกับพี่น้องว่ากิริยาเหมือนกันทําสิ่งเดียวกันแต่คนหนึ่งเจตนาอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนัสตาบกกลบั บ, บพี่น้องเห็นไหมฮะอันนี้อิสตาบกกลนี่แปลว่าวิ่งแข่งต่างคนต่างวิ่งอัลีฟเนี่ยในภาษาอาหรับเรียกว่า อ, อัลีฟอิสเนนก็คือชี้ถึงสองนบียูซุปวิ่งสุเลคอวิ่งวิ่งมีเป้าหมายเดียวกันคือไปที่ประตู แต่คนนึงมีเจตนาดีก็คือนบีซุบวิ่งหนีความชั่วอีกคนนึ่งซุเลย์คอวิ่งตามความชั่วนึกออกไหมฮะแสดงว่าบางอย่างที่ทำเนี่ยแม้กิจกรรมเดียวกันแต่อาจจะได้รับได้รับการตอบแทนคนละอย่างก็ได้คนนึงอาจจะเป็นความดีอีกคนนึงอาจจะเป็นความชั่วก็ได้นะฮะอย่างนบีซุบทำความดีวิ่งวิ่งหนีความชั่วอีกคนหนึ่งวิ่งตามความชั่วนะครับอ่า ว่าก็ดัชกอร์มีซอูแล้วก็ดึงเสื้อนาบิยูซุปออกแล้วไปเจอเจ้านายหรือว่าสามีของเธอที่ประตูอันนี้นี่ก็เป็นบทเรียนสําคัญเหมือนกันนะก็ล้เธอเปลี่ยนทันทีอันนี้ที่นําเรียนกับพี่น้องว่าไม่ได้เป็นการตํำหนิผู้หญิงนะฮะแต่เป็นการบอกข้อ จ, จริงผู้หญิงบางประเภทไม่ใช่ทั้งหมดคือบางบางผู้หญิงที่อาจจะมีกลมีอะไรต่างๆเนี่ยเขาแยบยลจริงๆตัวเองเป็นฝ่ายที่จะเชิญชวนนาบิอูซุปวางแผนทุกอย่างใช่ไหมฮะ แต่พอไปถึงเจอไปเจอหน้าประตูพร้อมกันเนี่ยเจอสามีของตนเองทันทีนะฮนะพอเจอวัลฟายาไซดาฮะบพอเจอสามีแล้วเนี่ยเปลี่ยนทันทีก็เป็นผู้ที่กล่าวหานบียูซุฟทั้งที่เธอเองเป็นคนที่ยุ่ยยุนอบียูซุฟบอกว่าจะมีบทลงโทษอะไรสำหรับคนที่ปรารถนาไม่ดีกับครอบครัวของท่าน เราต้องลองโทษเขาหรือไม่ก็จับขังคุกอ่านี่เปลี่ยนเลยนะฮะเห็นไหมฮะเห็นภาพว่านี่คือเวลาเขาเร็วความเร็วะฮะอันนี้บางประเภทนะฮะอันนี้ไม่ใช่ทุกคนไม่ได้เหมารวมไม่ได้เหมารวมแต่บางทีบางประเภทผู้ชายเนี่ยไม่ทันผู้หญิงนี้แน่นอนกลอุบายของผู้หญิงผู้ชายไม่ทันผู้หญิงบางประเภทนี้เย็ดเน้นนะฮะและการพูดแบบนี้ไม่ได้เป็นการดูถูกผู้หญิงแต่เป็นการบอกในมุมของผู้หญิงเราก็ระวังลักษณะนี้ ในมุมของผู้ชายเราก็ระวังลักษณะนี้อันนี้เป็นธรรมชาติที่อเราบอกถ้าพูดถึงเรื่องขโมยผู้ชายเนี่ยก่อนนึกออกไหมฮะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องซีนา่าเราพูดถึงผู้หญิงก่อนอัลซานียตัวซาน่สตรีที่จีนากับผู้ชายที่ซีนาเวลาพูดถึงขโมยอัสซาริกรัวซาริโกเห็นไหมฮะพูดถึงผู้ชายที่ขโมยแล้วก็ผู้หญิงที่ขโมยทําไมฮะเพราะว่ามันคนละแบบผิดทั้งคู่นี่แหละถ้าคนทําผิดก็คือผิด แต่ว่าหมวดไหนใครจะมีโอกาสทําผิดมากกว่ากันนี่ก็คือความละเอียดของอันกุศานนะครับเธอก็เลยกล่าวหานาบยบซุปจะทํำยังไงดีจะจับคุกทังคุกหรือจะลงโทษนาบิซุปก็พอถึงช่วงที่ต้องพูดอันนี้ก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่สําคัญนะพอถึงช่วงที่ต้องพูดบอกความจริงนบีซุปเนี่ยเก็บะตลอดคืนคนนิ่งเป็นคนที่สถานะขณะนั้นเนี่ยต่ำกว่าเพราะเป็น เป็นคนที่ถูกเก็บมาเลี้ยงหรือเป็นคนใช้หรือเป็นอะไรเนี่ยฮะอยู่ใต้การดูแลของผู้อาการอิบนะฮะแต่เวลาถึงจังหวะที่ต้องพูดนาบียูซุพเนี่ยเป็นคนเงียบเพียบไม่ได้ไม่ไดออ้อะไรนะฮะไม่ได้มีปากเสียงอะไรโดยทั่วไปนะฮะเพราะอยู่ในสถานะที่ต่ำกว่านตอนนั้นแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องพูดนาบียูซุพไม่ใช่ว่านิงน่งๆไปไม่ใช่ะฮะถึงเวลาพูดก็ต้องพูดถึงจังหวะพูดก็ต้องพูด อันนี้เป็นบุคลิกของคนที่เข้มแข็งไม่ใช่ว่าพูดตลอดอะไรแบบนี้นะครับก็ละทันทีเฮโรวาติยานับสีเธอต่างหากเป็นฝ่ายเชิญชวนฉันนะฮะแล้วก็วาชัยดาชาฮิรุมินอาลีฮา ah ah ah. มีเด็กคนหนึ่งเป็นเข า, เเขาบอกว่ามีพยานที่เป็นเด็กดอนเพลเนี่ยอุลมะเขาบอกอิมอบอบาสบอกนะครมาเป็นพยานให้กับใครให้กับนบียูซุฟทําไมเป็นพยานเป็นคนในครอบครัวของเธอและเป็นเด็กแน่นอนว่า เด็กเนี่ยไม่โกหกนนได้เลยนะฮะเด็กไม่โกหกหนึ่งนะสก็คือสิ่งแวดล้อมไม่โกหกมีแต่คนที่โตแล้วเนี่ยแหละฮะที่จะโกหกที่บอกกับพี่น้องว่า อ, อย่างหมอพรทิพย์ที่เขามาทำอะไรนะฮะนิติวิทยาศาสตร์ทําไมเดี๋ยวนี้เราใช้วิธีการแบบนี้ตรวจรอยนิ้วมือตรวจคราบเลือดอะไรต่างๆทําไมฮะเพราะเนื่องจาก ต, กตรวจรวจวิธีกสุนเป็นต้นทําไมฮะเนื่องจากว่า เพราะความจริงมันไม่โกหกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่โกหกใช่ไหมฮะใครโกหกคาพูดคําพูดของใครฮะก็คําพูดของซูไลคอมเมอร์สคูลเนี่ยโกหกแน่นอนนะครับอ่าเอ่อพอเด็กคนหนึ่งเนี่ยเป็นพยานแล้วก็บอกอินกาณะควมีสูกุคดมินกูบุลนินฟัซาดะกัทวะหัวมินันกาธิบินหากเสื้อของเขาเนี่ยถูกดึงมินกูบุลก็คือจากข้างหน้า สแดดออ ส, ด ง, ด, งงสแดงว่าเธอพูดจริงเพราะนบีซุบเข้าไปหาถ้าเสื้อหนึ่งเนื้อข้างหน้าเนี่ยแสดงว่าเธอพูดจริงนบีซุบเนี่ยโกหกแต่ถ้าถูกดึงข้างหลังสแสดงว่าเธอโกหกนบีซุบพูดจริงอันนี้ก็คือตักกะง่ายๆเห็นไหมครับเขาจจริงมันไม่โกหกก็เป็นไปได้ไงที่คนเข้าไปหาแล้วเสื้อขาดข้าหงหลังใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นความจริงฟัล ม, มารออากอมีสหุกุดดามินดูบุรเมื่อเขาเห็นเสื้อถูกขาดข้างหลังอันนี้แสดงว่าความจริงมไม่โกหกดังนั้นเนี่ย คนที่จะสังเกตเป็นนักสังเกตน่ยก็จะเข้าใจสถานการณ์อะไรเป็นอย่างดีเฮ้ยทําไมมันเกิดแบบนี้สมมุติว่าอ่าเป็นอะไรนะฮะคนเป็นนักเดินป่าไงฮะพอไปเจอผ่านมาควันไฟยังไม่ดับแสดงว่านี่มีร่องรอยคนอยู่อะไรเป็นต้นนะครับหรืออาจจะมีข้อสังเกตอื่นๆอีกที่เ อ, อ่อสามารถจะใช้เป็นประโยชน์ได้ในการดําเนินชีวิตนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประโยชน์มากก็คือเขาเรียกว่า เทคนิคในการต่อรองที่ผมน่าจะบอกในครั้งที่แล้วไม่แน่ใจพูดไปหรือยังนะครับเทคนิคในการต่อรองเนี่ยอันนี้สําคัญมากแล้วก็ผมได้รับบทเรียนโดยตรงจากตอนหยุดเรียนอยู่ที่มัการนะครับอาจารย์ของผ ม, มนในเชฟคอม يدي หรือหลายท่านนะครับเขาก็ได้ใช้เทคนิคนี้โดยที่เขาไม่ได้บอกว่าเอามาจากคุรานแต่แน่นอนผมเชื่อว่านําเอามาจากหลักการในอันคุรานนะฮะเทคนิคอะไรฮะเทคนิคการการอยู่กับการอยู่ กับอีกฝั่งหนึ่งก่อนก่อนที่จะกลับมาหาฝ่ายของตนเองยังไงฮะหมายถึงว่าเด็กที่เป็นพยานะอยู่ข้างใครครับแม้จะเป็นครอบครัวของเธอเองนะฮะที่เป็นพยานอยู่ข้างใครข้างใครครับอยู่ฝั่งของนบียุซุฟถูกไหมครับอยู่ฝั่งของนบียุซุฟซุเลยคอเป็นฝ่ายผิดเด็กคนนี้รู้เราให้สามารถพูดได้อเลยเห็นเหตุการณ์แล้วก็รู้ปรากฏว่า ถ้าคนทั่วไปเนี่ยถ้าอยู่ข้างฝ่ายนบีซุบใช่ไหมฮะจะทํายังไงคนทั่วไปน่าจะพูดเข้าข้างฝ่ายตัวเองก่อนถูกไหมฮะแล้วค่อยพูดไปอีกฝั่งหนึ่งแต่แบบนี้เนี่ยไม่ไม่เวิร์กแบบนี้ไม่ดีทําไมครับเพราะมันจะทําให้ดูเหมือนว่าอ๋อนี่เข้าข้างกันหรือเปล่าเดกออกไหมฮะเด็กคนนี้ใช้วิธีอะไรฮะใช้วิธีไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งก่อนเอาสมมติฐานฉันอยู่กับกับเ้าก่อนอยู่กับคนที่ฝ่ายผิดก่อนอยู่อยู่อีกฝั่งหนึ่งก่อน เนี่ยเธอจึงบอกว่าเออเขาจึงบอกว่าเอ่อเด็กคนนั้นจึงบอกว่า อ, อ, อินกาณกอมีสูกุคดามินกุบุลหากเสื้อของนบีอูซุบถูกดึงขาดจากข้างหน้าถ้าถูกดึงขาดจากข้างหน้าเนี่ยใครเป็นฝ่ายถูกเธอเป็นฝ่ายถูกเด็กคนนี้แม้ว่าจะอยู่ฝั่งนบีอูซุบนะฮะแต่แก้งจะไปอยู่ฝั่งนู้นก่อนอาชันจะเหมือนเธอก่อนเอาฝั่งเธอก่อนนึกออกไหมฮะ เทคนิคแบบนี้เนี่ยมันก็จะรู้ว่าเกิดความยุติธรรมมันไม่ใช่ว่าเวลาเป็นพยานให้กับใครแล้วเนี่ยเข้าข้างฝั่งของตัวเองก่อนไม่ใช่แต่เข้าข้างอีกฝั่งหนึ่งก่อนถ้าหากเธอเป็นฝ่ายถูกต้องนะก็แสดงว่าเสื้อเนี่ยจะถูกดึงขาดข้างหน้าแต่ถ้าหากเสื้อถูกดึงขาดข้างหลังแล้วก็การการที่เธอเออเด็กคนนี้พูดเดี๋ยก็เหมือนกันไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่าเธอเป็นฝ่ายถูกก่อน ถ้หาหักเสือ้อแต่เธอบอกว่าถ้หาหักเสือ้อพูดถึงเหตุการณ์ก่อนแล้วก็คุกกลมได้บ อ, อกไหมฮะพูดถึงเหตุการณ์ว่าถ้หาหักเสือ้อถูกดึงขาดจากด้านหน้าเธอก็พูดจริงและเขาเนี่ยเป็นคนที่พูดโกหกเราเเนคน่อยกลับมาอยู่ฝั่งนบีอูซุฟและหากว่าเสื้อของนบีอูซุฟถูกดึงขาดทางด้านหลังแสดงว่าเธอกโกหกและนบีอูซุฟเนี่ยพูดจริงเทคนิคนี้เนี่ยมีในกุรอานอายะนี้นะครับในในสุลัยอูซุฟแล้วก็มีในช่วงที่ ผู้ศรัทธาในวงวานฟิรเอาเนี่ยกล่าวเถียงแทนนบีมูซาถามว่าเขาอยู่ในฝั่งของใครครับผู้ศรัทธาวงวานฟิรเอาอยู่ฝั่งนบีมูซาแต่เวลาเริ่มเถียงเนี่ยเริ่มเถียงเข้าข้างใครก่อนเข้าข้างฟาโร่โก่อนเขาบอกว่าวัยเยกุกาซีบันฟาโร่จะฆ่านบีมูซาชายคนนี้ก็เลยแสดงตัวออกไปว่าฉันเนี่ยทำไมจะฆ่านบีมูซาทำไมอย่าเพิ่งฆ่าเขาเลยตั้งตั้งตักกะ เถียงแทนนบีมูซาแต่สมมุติฐานว่าตัวเองไปอยู่ฝ่ายใครก่อนอยู่ฝ่ายฟาโร่ก่อนเพื่อจะบอกว่าวิเยกุกาซีบันหากมูซาโกหกไปอยู่ฝังฟาโร่ฟาโร่ก่อนหากนบีมูซาโกหกสมมติชั้นหเห็นด้วยกับท่านมูซาฟาไลฮิกาซีบูมูซาก็จะรับผิดชอบตัวเขาเองเขาต้องรับผิดชอบตามคําโกหกของเขาแต่ถ้าหากเขาพูดจริงก็จะมีบางส่วนจากคําพูดจริงของเขาในประสบกับท่านเห็นไหมฮะ อันนี้ที่บอกว่าเป็นเทคนิคที่ผมได้มาจากในคุตอาตรงนี้มีใช่ไหมครับแล้วก็ในตอนไปเรียนที่มักการเนี่ยก็ได้ลักษณะเช่นนี้เนี่ยเช็ค ก, ก็คือใช้เทคนิคนี้ในการที่จะดึงดูดให้คนเห็นด้วยและเราก็จะเห็นด้วยแบบว่าโดยปริยายมันจะไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจเนื่องจากว่าไปอยู่ฝั่งนู้นก่อนอยู่อยู่ฝั่งเดียวกับเราก่อนแล้วพี่น้องเอาเทคนิคนี้เนี่ยเอาไปใช้นะฮะแต่ใช้ในทางที่ดีแน่นอนนะฮะแล้วมันก็ต้องใช้ในทางที่ดีและจะเกิด ประโยชน์อย่างมากในการต่อรองในการพูดคุยนะครับวอลลอร์หัวลำดังนั้นเมื่อเขาเห็นเสื้อเนี่ยถูกดึงจากด้านหลังเนี่ยเขาก็เลยบอกก็อะอินนาฮูมินไกดิกุลเป็นแผนการของพวกเธออินไกดากุลอาอูซิมแผนการของพวกเธอเนี่ยแยบยลเหลือเกินมันยิ่งใหญ่เหลือเกินมันสุดยอดคือคือฉันเกือบจะเชื่อเธอไปแล้วนะแผนการของเธอเนี่ยยิ่งยวดมากนะครับ อ, อันนี้ก็เป็น คำคำยืนยันจาเอาล้อว่าแผนของผู้หญิงนี่คือไม่ใช่ผู้หญิงทั้งหมดอันนี้บอกแล้วนะฮะคือบางส่วนผู้หญิงลักษณะที่อาจจะมีการวางแผนต่างๆเนี่ยมีความแ ย, ยบยลมากผู้ชายเนี่ยเราเรียกว่าไม่ทันแน่นอนนะครับอะอีกอายไล์หนึ่งเราบอกยูซุฟอาริตอันฮาตสามีของซูเลคอเนี่ยก็บอกยูซุฟเอ๋ยอย่าสนใจเรื่องนี้แล้วก็หันไปบอกกับภรรยาตัวเอง วัสดุฟรีลีซัมมิกจงขออภัยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เขาทำนะฮะแต่ประเด็นคือที่ผมทิ้งท้ายไว้ก่อนตอนนู้นเน่ยว่าประเด็นอีกประเด็นหนึ่งคือความหึงหวงของคนที่เป็นมหารมต่อคนในครอบครัวหรือใต้การดูแลเนี่ยมันน้อยเกินไปทําให้ความผิดยังคงต่อเนื่องเดี๋ยวจะดูอายะต่อไปที่เราจะศึกษาในวันนี้ความหึงหวงของคนในครอบครัวอันนี้ในานามของสามีและเช่นกันในานามของพ่อในานามของพี่ชายในานามของใครก็ตาม ที่เป็นคนในครอบครัวแล้วมีมารอมที่เป็นผู้หญิงอยู่ใต้การดูแลเนี่ยความมึงหวงจําเป็นต้องมีอยู่ในระดับที่พอเพียงเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้ลูกของตัวเองหลานของตัวเองหรื อ, อ, อผู้หญิงที่เป็นล้องสาวหรือเป็นใครภรรยาเนี่ยไม่ให้ไปเสี่ยงไปสู่การที่ผู้ชายคนหนึ่งคนใดจะมาทําไม่ดีหรือตัวเธอเองจะไปทำทำไม่ดีกับใครเป็นต้นนะครับแสดงว่าความมึงหวงในซูล้อนนี้เนี่ยสามีของใครซูไลคอ ขาดความมหึงหวงของต่อคนในครอบครัวอันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากแล้วบางทีเนี่ยอย่างภรรยาไม่ได้คุมมิยาปเป็นต้นนะฮะภรรยาไม่ได้คุมมียาหรือแต่งกายไม่เรียบร้อยหรือออกไปไหนมาไหนบางทีดึกๆึกกลางคืนก็ไม่กลับหรือกลับมาดึกค่ําคืนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่มีความเอาใจใส่ต่อคนในครอบครัวตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาหนึ่งโอเคเป็นปัญหาของทางฝั่งผู้หญิงด้วยแต่เป็นปัญหาของคนที่ดูแลอยู่หรือคนที่มีความรับผิดชอบ ในหน้าที่ดังกล่าวที่เราลองดูนะครับถ้าสมมติว่าต่างคนต่างเอาใจใส่มารมในชีวิตเราก็ไม่ได้เยอะมากใช่ไหมฮะก็มีหนึ่งสองสามหรือบางทีมันต้องเป็นหน้าที่ของผู้ชายในหละในการที่จะอ อ, ออกไปนั่นออกไปนี่หรือช่วยจัดแจงอะไรบางอย่างให้กับมารอมหรือสตรีในบ้านของเธอในภายใต้การดูแลจะเป็นคุณแม่ของเราเพราคุณแม่ถ้าเขาต้องการจะอ อ, ออกเดินทางไปไหนหรือต้องการจะวัย ว, วัวานซื้อของนั่นนี่อะไรย่างี้ยฮะผู้ชายเองก็ต้องทําหน้าที่ในการ ในการเทคแคร์ดูแลเป็นพิเศษนะฮะหรือในความผิดอะไรต่างๆที่เราก็ต้องแสดงความหึงหวงลูกสาวจะไปพูดคุยกับผู้ชายแปกหน้าหรือเป็นใครไม่ใช่ว่าปล่อยไปเฉยๆไม่เป็นไรเขาไม่ใช่ฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเกิดแบบนี้อย่างในอายะห์ที่ละสุบาโนะตาลาบอกสามีของซุไลคอรหรือผู้ว่าการอียิปต์คนนี้บอกอะไรฮะบอกยูซุอย่าสนใจเรื่องนี้ดูสิฮะคืนนี้มันน้อยเกินไปใช่ฮะ มันต้องมีมาตรการไม่มีมาตรการชัดเจนว่าตอนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปห้ามอยู่ด้วยกันตามตามลําพังไม่ต้องติดต่อกันไม่มีแบบนี้แต่ก็ยังดีที่บอกว่าวัลสเตร์ฟิรีลิซัมบิกจงขออภยัยโทษต่อบาตรตัวอันนี้ก็เป็นข้อดียังมีการจิตใจที่ดีแน่นอนนะครับเป็นผู้ศรัทธาแล้วก็บอกว่าอินนากิคุนติมินาลคอติอินเธอเป็นคนผิดแต่ประเด็นคืออายะทัดมาเราจะรู้ว่าขาดความเมืองหัวยังไงก็ยังปล่อยให้อยู่แบบเนี้ย อันนี้ก็มันก็เป็นเาเรียกว่ากฎธรรมชาติอย่างหนึ่งนะฮะถ้าเราต้องการให้ผลลัพธ์แตกต่างไปโดยที่ยังคงทำต้นเหตุเหมือนเดิมเนี่ยมันเป็นการกระทําที่จะไม่มีทางได้ผลอีกครั้งหนึ่งถ้าเราต้องการให้ผลลัพธ์แตกต่างไปจากเดิมแต่ยังคงทำต้นเหตุที่เหมือนเดิมเนี่ยไม่มีทางที่จะมีผลลัพธ์แตกต่างไปสมมุติยกตัวอย่างนะครับคนที่อาจจะติดยาคนติดยามันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะถ้าบอกว่า ă, เลิกแล้ว แต่ยังคงมีเพื่อนเหมือนเดิมหรือยังคงเดินเดินเส้นทางเดิมเนี่ยนะฮะมันก็จะเลิกยากอันนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนถ้าถ้าหากว่ากําลังประสบกับเรื่องนี้ทั้งครอบครัวด้วยเช่นกันนะครับเป็นกําลังใจให้แต่ว่ามันต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีเทคนิคในการเปลี่ยนแปลงตนเองเปลี่ยนสังคมหรือเขาเรียกว่าเปลี่ยนบรรยากาศอย่างเช่นคนที่ฆ่าคนมาเ9้นคนเห็นไหมครัแล้วฆ่าคนที่ร้อยไปถามผู้รู้ว่าจะเตาบะตัวได้ไหมเขาบอกได้ทําไงครับเขาแนะนํา อยู่ที่นี่ไม่ต่อไปไม่ไม่ได้แล้วทําไมเพราะไม่มีคนถ้าอยู่ที่เดิมเราก็จะมีคนที่ร้อยเอ็ดถูกไหมฮะไม่ใช่คนที่ร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดคนที่ร้อยเอ็ดคือคนที่เขาจะทําเหมือนเดิมอีกเพราะมันบรรยากาศเดิมอะฮะมีใครทําอะไรไม่พอใจเราก็ไปไปเล่นงานเขาต้องการเปลี่ยนแปลงต้องไงครับต้องเปลี่ยนบรรยากาศเข <c oughs> เลยแนะนําว่าให้ท่านอพยพไปที่เมืองเ <c oughs> มืองนี้มันเมืองไม่ดีทําไมเพราะไม่มีใครห้ามปามท่านได้ถ้าท่านยังคงอยู่ในบรรยากาศแบบนี้โอกาส ที่มันจะเลิกความผิดเนี่ยมันยากเดี๋ยวมีใครทําให้ไม่พอใจเดี๋ยวท่านก็ไปจัดการเขาอีกเป็นต้นอันนี้ผมพูดถึงทุกกรณีนะยาเสพติดจะเป็นเป็นนักการเป็นนักเลงหรือเปลเปลี่ยนสถานที่ไปสักระยะหนึ่งให้มีวัคซีนก่อนจะกลับมาทีหลังเนี่ยก็ได้อันนี้ก็เป็นเทคนิคที่สําคัญมากนะครับแต่ประเด็นในช่วงนี้เนี่ยก็คือไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนบรรยากาศ ร, รู้แล้วว่าภรรยาเนี่ยอินเกย์เกุลอาวซีมแผนการของเธอเนี่ยมันมันมันเหนือชั้นเหลือเกินนะฮะ หลายเดกันก็บอกว่าอิสติกฟาดนะยูซุฟอย่าสนใจเรื่องนี้นะแล้วก็ปล่อยตามเดิมตามเดิมไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องนึกออกไหฮะจึงทําให้ถัดมาอายะที่30มสิบเราบอกวะกาลแนิสวาตุนฟิลมาดีนัติมรอตุนอาซิซิตุราดิตุราวิดูฟะตาฮานับซิบรรดาสตรีในเมืองอันนี้เราเน้ในเมืองได้มีการโจทจกันการกล่าวถึงกัน ว่าภรรยาของอาซิสหรือผู้อาการอียิปต์ผู้อาอิปเนี่ยได้ยั่วยวนเด็กใช้ของเธอเองอ่าอันนี้ก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งนะฮะบทเรียนของอันนี้ก็ต้องพูดของบรรดาสตรีอันนี้เรื่องนี้มันผมไม่ได้ตําหนิแน่นอนนะแต่กําลังจะบอกข้อที่จริงและให้เราระวังเป็นพิเศษว่าเรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยเรื่องของคนอื่นบางทีเราเอาใจใส่เป็นพิเศษใช่ไหมฮะแล้วบางครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าเรื่องดราม่าในสังคมคนก็มักจะ จะเข้ามาวิจารณ์กันเยอะมากใช่ไม่ใช่บางครั้งในเห็นเรื่องอะไรที่มันเกิดและมันดังในสังคมนะฮะอย่างมีอะไรนะฮะคนไปทําความผิดกลางถนนและถูกถ่ายคลิปได้อะไรเงี้ยฮะแล้วคนจะเข้ามาเข้ามาประนามมายามเหยียดโอ้โหแล้วก็บางทีก็ใช้คําแบบหยาบคายอะไรอย่างนี้นะครับเขาบอกทางจิตวิทยานเนี่ยเขาบอกว่าการเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับกลางจะบอกว่าอะไรฮะบอกว่าอุย้ยทําไปได้ยังไงเนี่ย คือเป็นไปไม่ได้ที่ฉันอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ฉันจะทําประมาณนี้คือคนที่เข้ามาดรามาร่าเลยเข้ามาด่ากรณีที่เวลาคนทําผิดอะไรแบบนี้นะฮะประมาณว่าความรู้สึกลึกๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคุณไปทำไมได้ไงฉันไม่น่าจะทําแบบนีนะ้อะไรแบบเนี้ยฮะเมื่วันกีเราเองก็เข้าไปมีส่วนเหมือนกันใช่ไหมในในยุคของโซเชียลมีเดียในปัจจุบันนี้เนี่ยก็เช่นกันบรรดาสตรีเนี่ยก็เข้ามาโอ้โหเธอทําไปได้ไงเนี่ย ไม่น่าเลยเราเองก็บทเรียนที่ได้รับนะครับ ก, ก, ก็คือเมื่อเราเห็นคนไทยคนใดทำความผิดอย่าไปดูถูกเขาเห็นคนใดทำความผิดอย่าไปดราม่าใส่ครับโอ้โหแกทำไปได้ไงวะเนี่ยคือไปพูดว่าโอ้โหไม่ทำไปได้ไงอ่ะคนใช้ของตัวเองอะ่ะไม่น่าเลยเขามันก็จะไปเรื่อยมีสามีแล้วทั้งที่คือมันจะไปแบบว่าพูดไปเรื่อยนะฮะแต่หน้าที่ของเราเวลาฟังอะไรเนี่ยก็อัลลอฮ ขออภัยทุกต่อแล้วแล้วก็ขออัลลอฮ์ปกป้องให้ชั้นเนี่ยพ้นจากกรณีดังกล่าวเพราะไม่รู้มันมีคําพูดหนึ่งของประธานาธิบดีอเมริกาคนหนึ่งเขาพูดดีผมจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นอับราฮัมลินคอนหรือใครนะครับเขาบอกว่าคุณอย่าไปตัดสินคนอื่นอันนี้แม้จะไม่ใช่คำสินเขาพูดนะแต่เป็นคำพูดที่ดีเราเอามาใช้ได้ว่าคุณอย่าไปตัดสินคนอื่นเวลาเขาทําผิดเพราะบางทีถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเาเนีคุณอาจจะทําเช่นนั้นก็ได้เออเป็นคําพูดที่ดี นี่สอดคล้องกับเนื้อหานั้นกรัตบางทีเราไปพูดต่อโอ้โหดร์มาแล้วก็ว่ากันอะไรกันมากมายนะฮะเราไม่รู้ว่าบางทีเราอยู่ในสถานการณ์นั้นเนี่ยเราอาจจะทําก็ได้แต่ไม่ได้ไหมายถึงให้ยอมรับความผิดหรือปล่อยความผิดไปถ้าเราสามารถทำรามรได้ไม่ได้ไหมายถึงอย่างเงี้ยแต่มายถึงประเด็นดาร์มาคือการไปพูดซ้ําเติมหรืออะไรต่างๆอันนี้เป็นบทเรียนสําคัญมากนะครับบรรดาผู้หญิงอันนี้โดยเฉพาะเลยน ะ, ะก็ได้พูดพูดแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการดินทารูปแบบหนึ่ง แม้จะเป็นความจริงเป็นการดินทาที่ท่านอัลเบียสัตว์สัมนำได้ห้ามมาไว้แล้วก็ในกุรานบอกว่าอะไรนะฮะเวลายกตบบ่าวดุกุมบ่าวออย่าได้ดินทาซึ่งกันและกันและเราได้ยกอุทาหอนว่าการดินทาไม่ไดียังไงอายุให้บุอาใหดุกุณอายะกูละละห์มาฮีฮิมัยตันฟะกะรีตุมูคนใดคนหนึ่งในหมู่พวกท่านชอบหรือเปล่าที่จะกินศพของพี่น้องตนเองศพที่เน่าแล้วตายแล้วเนี่ยฟะกะรกีตูมูเราก็ตอบว่า พวกท่านก็ไม่ชอบกินกันแล้วทําไมจึงไปชอบนินทาคนอื่นสุภาล่ลละเหรอเพราะไม่ชอบกินเนื้อศพใช่ไหมฮะไม่ชอบแต่ทํำไมชอบนินทานินทาเนี่ยรุนแรงกว่าเป็นต้นนะครับเลขอีกอีกอันอีกอันหนึ่งสําคัญนะครับอีกอันหนึ่งสําคัญว่าการนินทาเนี่ยมันสร้างมันดูเหมือนภายนอกเนี่ยจะทําให้เราเป็นคนดีถูกไหมครับเวลานินทาอ่ะมันจะดูเหมือนว่าโอ้โหคนนั้นมันเลวเหลือเกิน ดูพวกเราสิไม่ได้ทําเหมือนคนนั้นไม่ไทําเหมือนอผมไม่อยากใช้คําว่ามันไม่ไทําเหมือนเขาเห็นไหมฮะเวลาดินทาเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกประมาณนี้ทําไมคนชอบนินทาเพราะเขาตอบโต้ไม่ได้แล้วมันทําให้คนที่เขานินทคนต่างคนต่างนินทาเนี่ยเห็นว่าตัวเองดีดียังไงครับก็ดูสิชั้นไม่เห็นทําแบบนั้นเลยพวกเราดูสิคนดีทั้งหลายโอ้พวกเราเี็คนดีทั้งนั้นเลยนะทําไมอ่ะเราเราไม่ทําเหมือนกับคนนั้น พวกาพูดถึงความไม่ดีของคนอื่นนี่คือความหมายของการนินทาดีออกาไหมฮะมุมมองของคนนินทาเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยเห็นว่าพวกเราโอ้บรรดาคนดีทั้งหลายโอ้โหพวกนั้นคนนั้นเท้าทําไปได้ยังไงเห็นไหมพวกเราไม่ทําเลยใช่ไหมนี่คือความหมายของการนินทาแบบนี้ดีไหมฮะมันเอาความดีใส่ตัวเองไม่ดีและข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น ข้อเท็จจริงคนนินทาไม่ใช่เป็นคนดีหมายถึงว่าในกรณีนั้นนะอาจจะเป็นคนดีได้ผิดพลาดเป็นนินทาเป็นไปได้แต่กำลังบอกว่าตัวการนินทาไม่ได้เป็นพฤติกรรมที่ดีเพราะอะไรฮะเพราะว่าสมมติเราอยู่กันห้าคนอยู่กันห้าคนคนที่สองลุกออกไปอาทอยู่กันหคนคนคนที่หกมาอยู่กันห้าคนล้วก็นินทาถึงคนที่หคนหนึ่งนะฮะแล้วปรากฏว่าคนที่หก เข้ามานั่งด้วยเราจะนินทาต่อไหมฮะจะนินทาเขาต่อไหมฮะไม่แล้ว <c oughs> เพราะอะไรลายแล้ว <c oughs> จะนินทาได้ไงพร <c oughs> าเราต่างค น, เ ป, นเป็นคนดีกันทั้งหมดใช่ไหมฮะในวงเนี่ยต่างคนเป็นคนดีทั้งหมดไม่มีใครยอมรับว่าต็งเป็นคนไม่ดีถ้าคนที่หกมาคนที่หกจะนนิเจะถูกนินทาไหมครับเลิกแล้วเปลี่ยนเรื่องอาจจะไปไปเ ป, เป็นนินทาคนอื่นอะ่ะ <c oughs> นินทาคนที่เจ็ดสมมตินะครับนินทาคนที่เจ็ด 7, <c oughs> นินทาก็ยังมัน viu? คนที่เจ็มามานั่งแปะอ่ะนินทาไหมครับนินทาต่อบไหมไม่นินทาทําทไมอะฮะผมพูดเราต่างเป็นคนดีใช่ไหมฮะอ่ะพี่แล้วเราคิดดูแล้วถ้ามีคนใดหนึ่งในห้าคนเนี่ยลุกออกไปอ่ะสมมติคนแรกคนที่หนึ่งนะลุกออกไปจะเหลือคนที่สองถึงคนที่เจ็ดหรือหคนคนที่หนึ่งลุกออกไปพี่น้องคิดว่าคนที่หนึ่งที่ลุกออกไปเนี่ยเขาจะคิดยังไงกับไอ้กลุ่มกลุ่มนี้ทั้งหมด คิดยังไงฮะคิดว่าเสร็จแล้วฉันฉันต้องโดนมากแล้วฉันต้องโดนพวกนี้ไฉันต้องเป็นเป็นคนที่มีดีบ้างแล้วเพราะถึงคิวของฉันแล้วเป็นต้นใช่ไหมฮะแสดงว่าการนินทานี้ดีไม่ดีฮะไม่ดีแน่นอนทาไมฮะเพราะมันสร้างความระแวงให้กับคนที่เรานินทานไอ้ช่วงที่นินทาเนี่ยมันสนุกเพราะเราต่างเป็นคนดีไงแต่ช่วงที่เราไม่อยู่ เราจะไม่สนุกคนเดียวเพราะเรารู้ว่าโอ้เข้ามาเนี่ยเดียบร้อยไปแล้วใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยคนนินทานหรือคนที่เริ่มนินทานเนี่ยจําไว้เลยนะครับว่านั่นคือคนจะต้องเขาใช่ด้วยเขาคนคิดไม่ออกครับว่าโอคนนี้นี่คือใช่เลยอย่าทําอะไราพลาดไปต่อหน้าเขานะเสร็จแน่เป็นเอ่อเป็นประเดน็นแน่นอนใช่ไหมฮะตรงข้ามกับคนที่จะคอยคัดค้านการนินทาน ไม่คัดค้านแบบตรงไปตรงมาอาจจะคัดค้านแบบอ้อมๆก็ตามนะคนที่คัดค้านอ้อมๆเวลาคนพูบเริ่มนินทาเ้เปลี่ยนเรื่องบ้างพูดนินทาพูดถึงง่แ ง, ง่ดีของเขาบ้างพอเริ่มพูดข้ข อ, ขอเสียของคนนี้มาใช่ไหมฮะห้าคนอยู่พอเริ่มพูดข้อเสียของคนที่6มามีคนหนึ่งในห้าเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยแต่เขาก็มีทําดีตรงนี้นะเวลาพูดแบบนี้นะบรรยากาศจะเริ่มแบบเฮ้ยเราไม่ได้เป็นคนดีท่า น, นั้นแล้วเนี่ยคนไหนก็เป็นดีเนี่ยมันจะเป็นนศีหัดเนี่ยมันเป็นบริสุทธิ์ใจไง เนี่ยเหรอไฮะพอไปสนใจแล้วเนี่ยคนนี้แรกๆอาจจะโวนมองว่าเฮ้ยไอ้นี่มันขัดจังหวะจริงในกําลังมันเรื่องไรกำลังมันแต่เชื่อนะครับว่าถ้าคนเนี่ยที่จอมขัดจังหวะเนี่ยถ้าเขาขัดจังหวะตลอดแล้วคนในในหมู่เพื่อนๆรู้กันว่าถ้ามีคนนี้เนี่ยโอกาสินทา ย, ยากเดี๋ยวมันเปลี่ยนเรื่องเดี๋ยวมันเปลี่ยนเรื่องเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวชมโดยชมคนอื่นคนที่มีอยู่ต่อหน้านะฮะเดี๋ยวเขาชมบ้างเดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องบ้างถ้าคนนี้อยู่เนี่ยเราจะเป็นไงครับ เราจะสบายใจกับเขาแน่นอนถ้าคนนี้อยู่ในวงประชุมใดที่ใดจะไม่มีการนินทาเกิดขึ้นสแสดงว่าคนนี้ในสายตาระยะยาวแล้วเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับของผู้คนทั้งหลายเพราะเขาจะเป็นบุคลิกของคนที่ที่จริงใจกับทุกคนทั้งต่อหน้าและห ล, ลังคนสามารถสัมผัสได้นึกออกไหมฮะประเด็นนี้เนี่ยประเด็นที่สาคัญมากดังนั้นเนี่ย เราต้องเข้าใจใหม่ไม่ใช่นินทาคือเป็นการทําให้เห็นว่าเรา<ม>พวกเราเป็นคนดีเกินหลือเกินไม่ใช่ฮะการไม่นินทาต่างหากแต่มันไม่ใช่ทันทีทันใดไงมันต้องสะสมมันเป็นระยะยาวการไม่นินทาต่างหากคือเทคนิคในการที่จะกลายเป็นคนดีที่แท้จริงไม่ใช่การนินทาแต่คนมองฉับเฉวยคิดว่าอ๋อนินทานินทานี่คือเฮ้ยพวกเร า, ารวมตัวเป็นคนดีดีกว่าแล้วใครจะเป็นคนไม่ดีคนนั้นไงสักคนหนึ่งเอาสักคนมาพูด พอโยนมาปั๊บเออจริงห่าพวกเราเป็นคนดีกันหมดเลยไอ้นี่คนเดียวนึกออกไหมฮะอันนี้คือประเด็นนะครับแล้วก็สําคัญมากที่ผมว่าเราจะ ต, ต้องต้องเอาไปใช้ในสังคมหรือบางทีเราเองมันก็ผิดพลาดกันในเรื่องนี้เนี่ยเยอะมากนะครับวตอตตอลานิสสวตุนฟินมาดีนะอันนี้ผู้หญิงก็พูดกันจดจันกันโอ้ยพวกเราโอ้คนดีทั้งหลายมาดูสิคนนั้นเนี่ยแย่เหลือเกินไปยั่วยวนที่บอกว่าบางทีเราจะไม่รู้ว่าถ้าเราไปอยู่ในสถานการณ์นั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เขาเนี่ยชอบหลงยูซุปทําให้เขาทำให้เธอหลงชอบไปแล้วอินนาโนราฮ์อินนาและนโนราฮ์ฟีดอลาลิมูบโรโฮแน่นอนเห็นไหมฮะแบบโอ้โอ้โอ้บรรดาคนดีทั้งหลายพวกเราเนี่ยเห็นไหมว่าเธอเนี่ ย, ยแย่เหลือเกินเป็นคนที่หลงทางแล้วแม้ว่าจะเป็นความจริงแต่ไม่ไม่ไม่ควรที่จะนินทาแม้จะเป็นความจริงเพราะนาบีบอกว่าแม้เป็นความจริงก็ถือว่าเป็นนินทานะครับอ่าเรามาดูอายะทันมา ไฟลัมมาสมาอัตบีมัครีหินเรื่องพวกนี้เรื่องนินทาเรื่องอะไรโจดจันนะฮะมันเร็วมาจากไหนอ๋อบรรดาพวกนี้เนี่ยโอ้เข้าโจดจันกันทั่วเมืองเลยใครอะบรรดาพวกผู้หญิงโดยเฉพาะนี่นนะฮะว่าไงไฟลัมมาสมาอัตบีมัครีหินเอาาคำว่ามัคริหินก็คือเมื่อเธอได้ยินอุบายหรือว่าเขาเรียกว่าการการวางแผนการพูดไม่ดีทำเดียวกันมัครีหิน อรเซอิลินเธอก็วางแผนบ้างเอาเล่นจะเล่นชั้นใช่ไหมเดี๋ยวลองดูว่าว่าพวกเธอจะเป็นยังไงและที่มาว่าชั้นเนี่ยจะเป็นยังไงเขาเรียกว่าล้างแค้นหน่อยอันนี้ก็มีมันอะไรแบบเนี้ยนะฮะมว่าจะมีเยอะที่บอกว่าเออเราก็ต้องระวังในฐานะที่อาจจะตกไปในสภาพดังกล่าวนะครับอัรซนอล์อิเลหินส่งจดหมายเทียบเชิญเลยนะฮะเพราะว่าเป็นแบบกลุ่มไฮโซ อันนี้เป็นภรรยาของผู้ว่าแน่นอนก็ส่งแบบว่าผู้หญิงก็จุ๊บจอะไรนะพูดคุยกันนะฮะในภาษาภาษาผู้หญิงนะครับเธอก็ส่งจดหมายเชิญเชิญมนรดาสตรีทั้งหลายภรรยาของคนนั้นคนนี้เชิญอารสซัล า, าอาิไลหินนาวาอาตาจิลาหุนแล้วก็ตรัาทิมอย่างดีมุตตะการที่นั่งแบบเอกเนกสบายนะฮะก็นึกว่าเชิญเป็นงานเลี้ยงธรรมดาทั่วไปว่าอาตาคุลลาวาให้ทิมมินหุนนาส ก, กีนาะแล้วก็ให้ทุกคนได้รับอะไรฮะ มีดกันคนละหนึ่งเล่มเพื่ออะไรเดี๋ยวจะมีอาหารมาเสิร์ฟมีผลไม้มาเสิร์ฟอันนี้แบบว่าสมัยก่อนสแสดงว่าเขาวิถีชีวิตก็ไม่ธรรมดามกันนะฮะคนละหนึ่งเล่มไม่ใช่ว่าเราเอ่อใช้คือแบบว่าแต่ละคนมีพร้อมคือแบบเป็นงานเลี้ยงของคนแบบไฮโซหน่อยนะครับและเมื่อเธอพร้อมกันเรียบร้อยแล้วนั่งพร้อมกันเรียบร้อยตอนนี้ถึงเวลาเอาคืนเธอก็บอกว่าก้อแล้วที่ครูจอะไรหินอ้าวออกมาได้ยูซุปเนี่ย ที่บอกกับพี่น้องว่านี่ขนาดเพิ่งมีกรณีอันนี้พอกลับไปพูดถึงกรณีของสามีเธอไม่ได้หึงหวงทั่วทุกงคนเป็นไปได้ไงอะ่ะก็เพิ่งเกิดคดีไม่นานใช่ไหมฮะแล้วก็รู้ว่าฝ่ายภรรยาเตรียมเป็นคนผิดแทนที่จะดังนับแล้วก็รู้น่าตนานมีซุปก็หล่อแล้วก็ความฉลาดของท่านแะไรของท่านนะแต่ในมีซุปนี่คือเธอท่านไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้อยู่ในสภสถานะใครคนรับใช้ไย่าเงี้ภรรยาก็ยังไม่หยุด สามีก็ไม่ได้แสดงความหมือยห่วงเป็นพิเศษไม่ได้มีมาตรการที่ผมบอกว่าถ้ายังคงปฏิบัติเหมือนเดิมและต้องการให้ผลแล้วเปลี่ยนแปลงไปมันเป็นไปไม่ได้มันต้องเปลี่ยนที่ต้นเหตุเฮ้ย ม, มันเจอกันบ่อยใช่ไหมต้องตัดการเจอถูกไหมฮะเพื่อนเนี่ยเพื่อนไม่ดีถ้ามันเจอแล้ ว, วชวนไปติดยาชวนไปทำนั่นทนี่ทําไงครับต้องตัดเพื่อนนี้ไม่ใช่ว่าอ๋อไม่เป็นไรก็คงมันจะเลิกไม่เลิกเลิกเล่ยไงเลิกเลิกก็กไปเดี๋ยวมาอีกทีนึง แต่มาเจอกันใหม่พอไปบอกว่าเลิกแล้วนะฮะพอไปเจอเพื่อนอีกอ่านั้นก็กลับไปเหมือนเดิมแบบนี้ไม่เวิร์กเช่นเดียวกับกรณีนี้นีะฮะอะ่เธออิสฟฟติกฟ้าต่อดอ่ะอิสติกฟ้าตลอดแล้วยังไงฮะก็กลับไปอยู่ในเส้นทางเดิมเจออิยูซุบตลอดแล้วคนธรรมาชาติของคนก็ต้องมีความรู้สึกอันนี้จุดสําคัญมากนะฮะเปลี่ยนแปลงที่ต้นเหตุสําคัญมากเพื่อให้ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับอ่ะวะก้อลอะไรที่ครุชอะไรหินออกมาหาพวกเธอออกมาบอกอิยูซุบออกมา ฟลัมมาโรไอนาหูและเมื่อพวกเธอเห็นนบีอูซุฟอะลัยอิสลามอัคบาร์นาหูพวกเธอก็ตกตะลึงอัคบาร์นาหูก็คือคือรู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่คนเหลืออะไรเนี่ยคือความหล่อความหน้าตานี่แค่เห็นอย่างเดียวนะฮะอักบาร์นาหูกเขต้อนไอเดียหุนแล้วก็มองนบีอูซุฟเพลินจนกระทั่งเฉือนนิ้วของตนเองความหล่อของนบีอูซุฟอะลัยอิสลาม ว่าก็ตอนไอเดียหุ่นว่ากุลน่แล้วก็พูดออกมาฮาชาลิลล่ะเป็นไปไม่ได้ฮาชาลินแปลว่าเป็นไปไม่ได้มาฮาตาบัชร ah ันนี่ไม่ใช่มนุษย์แล้วแบบนี้ไม่ใช่มนุษย์อินฮาตาอินลามาลักุนกะรีมเหมือนต้องเป็นเทวดาเป็นเทพแล้วเป็นมาริการ์แล้วเนี่ยมาริการ์นี่สมัยก่อนนี่คือมีความเชื่อเช่นเดีวยวกันแล้วก็ถือว่ามาริการ์นี่คือรูปร่างถ้าเหล่านั้นสวยรูปร่างดีหล่อหลอมเหมือนเทวดาอะไรเงี้ยนะฮะถ้าบ้า น, นเรา นี่ไม่ใช่มนุษย์แล้วแหละนี่ต้องเป็นเทวดามาจุติแน่เลยมันไม่ใช่มนุษย์ความหล่อมากความหน้าตาดีคนนมีสุดแสดสงว่าหน้าตาทรัพย์สินตำแหน่งชื่อเสียงทั้งหมดก็ถือว่าเป็นบททดสอบจากอัลลอสุบฮานอหัวตานะครับมาฮาตาบชรออินฮาตาอินละแมละกุนกะริมทันทีเธอก็คือซุลคอก็ได้บอกก็และทันทีบอกว่าตอบกลับนี่คือได้เป้าแล้วไง แต่วางแผนแบบนี้ดีไหมครับมันไม่ดีไงคือไม่ดีกับไม่ดีมันก็คือไม่ดีแต่ที่ผมบอกกับพี่น้องว่าความผิดของมนุษย์ที่ทําคือความผิดแต่ความผิดที่อัลลอฮฺอนุญาตให้มันเกิดขึ้นผ่านมนุษย์คนใดคือความดีจุดนี้สําคัญมากนะฮะเรื่องเรื่องนี้เนี่ย ผมกว่าจะเข้าใจเนี่ยคือใช้เวลานานพอสมควรแต่ว่าเป็นเป็นจุดที่ถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะมันจะเก็ตกับเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเยอะมากในชีวิตของเราความผิดของมนุษย์คือความผิดแต่ความผิดที่อัลลอฮฺอนุญาตให้เกิดเนี่ยคือความดีที่ผมยกตั ว, ยก ต, วยกตัวอย่างเช่นพี่ๆของนบีซุบที่จับตัวนบีซุบออกจากบ้านเนี่ยความดีไหมฮะวางแผนจับลงไปโยนทิ้งในบ่อเป็นความผิดแน่นอน แต่การที่อลอสอนุญาตให้เกิดขึ้นความผิดดังกล่าวเป็นความดีเพราะอะไรฮะพเพราะเนื่องจากอลอสจะให้ความฝันที่เนมิซุฟฝันตั้งแต่ตอนเด็กเนี่ยกลายเป็นความจริงมันต้องมีออกต้องออกมาจากนอกบ้านเพราะจะไปได้รับการสุยุดธที่อียิปถ้าไม่ออกจากบ้านก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนะฮะและทุกความผิดที่เกิดขึ้นเนี่ยรู้ว่แล้วเป็นความไม่ดีของคนที่ทําทั้งสิน้นแต่ที่อลอสให้เกิดขึ้นในความผิดต่างๆถือเป็นถือเป็น ความดีเนื่องจากว่าเป็นเฮกม้าขอร้อยที่จะให้ในบีซุปเนี่ยเป็นลําดับคนที่ซื้อเอาเก็บคนไปแล้วเอาไปขายเป็นธาตดีไหมครับไม่ได้ขายเขาเรียกว่าอะไรนะค้า ม, มนุษย์ไม่ได้ไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาไม่ถูกต้องตามลํากฎหมายเขาทําไม่ดีแต่ร้อยใหเกิดขึ้นเนะ่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะนบีซุปจะได้ไปอยิบไงนึกออกไหมฮะจุเลคอทําดีไหมครับไม่ดีแต่การที่ร้อยเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะอะไรฮะเพราะนบีซุปจะได้ไมาอยู่ในคุก เพราะการอยู่ในคุกจะได้เจอเพื่อนร่วมคุกและจะได้ออกเข้าไปเพราะว่าเพื่อนร่วมคุกคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนรับใช้กษัตริย์เห็นไหมฮะแต่และส่วนจากความผิดของคนที่เกิดขึ้นเป็นจิกซอจะทําให้ในบิซุปได้รับจากการทําลายฝันแต่ไม่ได้ไหมายถึงว่าเราจะอ้างและทําความผิดได้ไม่ถูกต้องทําไมฮะอัลลอฮ์สามารถให้เกิดขึ้นได้เนื่องจากอัลลอห์ฮะกีมอัลลอฮ์รู้และอัลลอฮ์มีให้หมารู้ว่าอะไรฉุดต่อไปอะไรจะเกิดขึ้น แต่เรารู้หรือเปล่าว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่รู้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราปฏิบัติแล้วบอกว่าอ๋ออันนี้อัลลอฮ์กาหนดแล้วได้ไหมครับแบบนี้อัลลอฮ์กาหนดจริงแต่ได้ไหมฮะไม่ได้เพราะเนื่องจากเราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์กำหนดอะไรถามว่าทําไมคุณไม่ละหมาดทําไมคุณไป เ, เที่ยวผู้หญิงสมมตินะฮะทําไมไปเที่ยวผู้หญิงอ๋ออัลลอฮ์กาหนดให้ฉันไปคุณรู้ได้ยังไงหลักฐานหน่อยแสดงว่าที่เขาทําผิดคืออะไรฮะไปเที่ยวผู้หญิงผิด สองคือการกล่าวอ้างความเท็จไปยังอัลลอฮ์คุณรู้ได้ยังไงว่าเรากำหนดเรื่องนี้ในอลัลกัลถาม ห, หน่อยรู้ได้ยังไงไม่รู้แสดงว่าปฏิบัติตามสิ่งที่ไม่รู้ยิ่งผิดกว่าตัวที่เขาทําความผิดจิน่าผิดแล้วปฏิบัติในสิ่งที่ไม่รู้เนี่ยผิดกว่านึกออกไหมครันะดังนั้นเราถูกสั่งให้ปฏิบัติตามอะไรครับตามความไม่รู้หรือตามความรู้ ตามความรู้ดังนั้นเนี่ยเราก็ปฏิบัติตามความรู้คื อ, อเราอยากไปบอกอ๋อนี่เรามีเฮกมะไม่ฮะฮฮกมะของเราต้องบนพื้นฐานของการไม่ทําความผิดแต่เรามีสิทธิ์ที่จะให้ความผิดต่าง ๆ, ๆเกิดขึ้นเพราะเรารู้ว่าอะไรมันจะดีในบั้นปลายนั่นเองนะครับอ่ะก็และเธอจึงบอกทันทีฟาซาลิกุ น, นลลาดีลุมตุน น, นีฟีนะอญญายะสุดท้ายนะครับอลัลลอฮ์ทึกเ่า ว, ว่า ก็ลวาาลกุนนและีนั่นไงคือสิ่งที่พวกเธอลุ่มทุนนีฟีเคยตำหนิฉันมาก่อนเป็นยังไงโดนบ้างเองแล้วเข้าใจหรือยังถึงความรู้สึกของฉันวิธีที่ไม่ถูกแต่มันก็เป็นการเอ่อเขาเรียกอะไรนะฮะเป็นการเอ่อแก้เผ็ดได้อย่างดีใช้คํานี้เป็นการแก้เผ็ดได้อย่างดีวิธีไม่ถูกนะครับแต่นำให้เธอเอย่องที่ที่ผมบอกอะฮะ คําของใครแปา์หรือประธานาธิบดีของอเมริกาคนหนึ่งที่บอกว่าเราอย่าตัดสินคนอื่นเวลาเขาทาความผิดเพราะเราไม่รู้ว่าเวลาเราอยู่ในกรณีเดียวเขาเนี่ยอาจจะทําเหมือนเขาก็ได้หรี่แย่เขาก็ได้ไดนะครับแล้วก็สอดค้องกับหลัการอิสลามคือโดยอย่าไปถือว่าตนเองดีอย่างเดียวนะครับก็ เ, เป็นไปได้ถ้าหากเราอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะผิดพลาดนะครับนั่นคือสิ่งที่พวกเธอตําหนิฉันนะแล้วก็ยอมรับอีกอันนี้มันก็ยิ่งเป็นความผิด ว่าล้กรดวาตวเขาองในตัวเองฟื้ต่อสมอลลอแน่นอนฉันเนี่ยไปยั่วยวนยูซุฟเองนี่คือมันยิ่งความผิดเนื้อความผิดความผิดโดยลับๆเป็นความผิดแล้วแต่ความผิดแบบยืนกรานก็ฉันฉันเองเนี่ยแหละทำแบบนี้ทำไมอ่ะอันนี้คือยิ่งเป็นความผิดเพราะท่นนานอับุลีสราบอกว่ากุลอุมะตีมูอาฟันอิลับุจาฮิรุนประชาชนของฉันทั้งหมด ได้รับการอภัยโทษนอกจากบรรดาพวกชอบเปิดเผยส่วนหนึ่งจากการเปิดเผยก็คือทำความผิดกลางคืนอัลละฮฺปกปิดความผิดของเขาอัลละฮฺปกปิดความผิดที่เขาทํากับอัลลอฮฺแต่เช้ามาไปบอกว่าอ๋อเมื่อคืนโอยคุณไม่รู้ฉันทําอะไรบ้างไม่รู้หรอกฉันไปทําอะไรบ้างเล่าบทเลยว่าฉันไปทําอะไรไปบ้างในมิบอกแบบนี้เนี่ยอัลลอฮฺไม่อภัยหมาถึงว่าทําแบบนี้อัลละฮฺปกปิดความผิดแล้วและยังไปเปิดเผยความผิดให้คนอื่นรับรู้คือไม่อายในการที่จะ ทำความผิดต่ออัลลอฮ์นี่ความผิดต่อใครครับความผิดต่ออัลลอฮ์สุบฮ า, ายในะหัวอะไรนะครับเธอบอกว่าฟัสตาสมแต่ยูซุปเนี่ย ย, ยับยั้งยับยั้งอย่างหนักแน่นไม่ปฏิบัติตามวิ่งหนีคือยับยัง้งฟัสตาสมเธอก็ยอมรับในยีซุปนี่คือสตรองแข็งแรงมากไปถึงแข็งแรงนี่คือคนที่ยับยัง้งไม่ยับยั้งความผิดนี่คือคนที่แข็งแรงอย่างแท้จริงนะครับว่าอิลลัมเยฟอัลมาอามุรุห์และขู่ด้วยขูต่อหน้าสตริอันนี้เริ่มแล้ว ความผิดมันขยายไงอนึกออกไหมฮะนึกพี่น้องลองคิดดูในบิลซุปคนเดียวพูหญิงทั้งหมดและเธอขคมคูในใบิลุปอยู่ในสถานะที่ต่ำกว่าในขณะนั้นนะฮะวะอิลลัมยาฟัลมาอามุรุหูถ้าหากเขาไม่ทำตามที่ฉันที่ฉันต้องการที่ฉันบอกแล้วนะฮะลายุสยานนนวะเลกูนามีนสอเธอเนี่ยเขาจะถูกจับขังคุกหรื อ, อและ จะกลายเป็นคนที่ต่ําต้อยจะกลายเป็นคนที่ต่ําต้อยอันนี้คือเป็นคําขู่ที่หนักสําหรับนบีอูซุฟะลิสลาห ม, มากขู่ว่าต้องทําตามที่เธอต้องการและนีเน่เป็นความผิดที่หนักขึ้นไปอีกน ะ, ะครับคถามคือเอาแล้วสามีเธอไปไหนพี่น้องสังเกตไหมฮะเนี่ยที่บอกว่าบทบาทของผู้ปกครองหรือบทบาทของสามีบทบาทของมะรรอมเนี่ยหายไปได้ไงจากสังคมเรื่องนั้นเราก็พูดได้ว่า อะไรต่างๆความผิดต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยผมว่าประเด็นหนึ่งคือเรื่องของครอบครัว ส, สําคัญโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัหวหรืออะไรไม่ต้องโทษใครทั้งสิ้น <ust os. S 1> คือโทษเราเองโทษกันเองโทษเราเองบางทีความผิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหรือไม่ไม่ให้บางทีคือส่วนใหญ่ผมกล้าพูดว่าส่วนใหญ่ความผิดที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยอันเนื่องจากเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากผู้ปกครองบกพร่องในเรื่องนี้และผมจะฝากไว้นี่เป็นเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับ ประเด็นสายสุดท้ายเดี๋ยวมาครั้งต่อไปในียทามที่สาถ้าเราทําหน้าที่กันมากกว่านี้เพียงแค่เล็กน้อยมันช่วยช่วยลดทอนความผิดมากแล้วอย่าโทษใครทั้งสิ้นเพราะว่ายุคที่โทษไม่โทษไม่โทษใครทั้งสิ้นทําเหมือนกับในเบีาดัมในเบียดัมไม่โทษคนอื่นทําผิดพลาดในเบียดัมโทษตัวเองเช่นกันเออตรงข้ามกันอิบลิสผิดพลาดโทษอัลลอฮ์ไม่ไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์แล้วก็โทษฟาบีมาอักโวยแต่นี้นะฮะ นบีอาดัมนี่คือโทษตัวเองงั้นเนี่ยต้นต้นเหตุของความผิดต้นเหตุของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าดูจริงๆนะฮะอยู่ในสระบันครอบครัวความผิดที่มันเกิดขึ้นข้างนอกโอเคอสมมติคนติดยาเรื่องหนุ่มสาวชู้สาวเรื่องอะไรฮะเรื่องอการสมเมร็จเทมาการเกเรเกเาวร้าอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นอะไรฮะเกิดขึ้นเนี่ย พื้นฐานถ้าดูแล้วนะฮะมันเกิดขึ้นจากสถาบันครอบครัวเขาต้องขาดอะไรบางอย่างแล้วมีงานวิจัยนะครับว่าคนที่เขาไปทำอะไรไม่ดีกับมีความผิดปกติทางทางเพศอะไรแบบเนี้ยหลายคนช่วงเด็กเนี่ยเคยถูกกระทำลักษณะดังกก่ามาก่อนนึกออกไหมฮะเคยมีปัญหาด้านความรุนแรงในช่วงวัยเด็กมาก่อนเป็นต้น แสดงว่ามีความสืบเนื่องกันไงฮะช่งวงวัยเด็กกับช่งวงวัยโต น, นะครับดังนั้นก็อยากจะฝากเอาไว้ในส่วนของความรับผิดชอบแสดงความรับผิดชอบโดยตรงแบบร้อไม่โทษโรงเรียนไม่โทษบอกว่าบางทีเราก็โท ษ, โทษว่า โ, โรงเรียนไม่ดีไปเอานิสัยจากทีโ่โรงเรียนมาอบอกว่าเพื่อนไม่ดีสังคมแย่ครูนั่นครูนี่มันก็อาจจะใช่เป็นความจริงตามนั้นแต่ถ้าเราเป็นพ่อแม่เนี่ย หนะ้าที่ของเราคือการแสดงความรับผิดชอบร้อยปร์เซ็โรงเรียนไม่ไดีถ้าโรงเรียนไม่ไดีนะใครส่งไปเรียนเราเป็นคนส่งไปส่งให้ไปเรียนใช่ ไ, <Cel S 2> ไหมฮะ<ฮ>สังคมไม่ดีอ่าและเราเป็นคนเป็นส่วนเราเป็นสังคมไหมสังคมไม่ดี <_ D> ใครสังคมคนเนี่ยมันรวมรวมกันก็เป็นสังคมและเราอยู่ในสังคมไหมถ้าเราอยู่ด้วยก็ไม่ต้องโทษอื่นเราก็เป็นสังคมด้วยเราก็เป็นค น, นในสังคมแล้วก็โทษตัวเองด้วยเพราะว่าแบบนี้มันจะเป็นเชิงสร้างสรรค์มากกว่าว่าเออเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ อาจจะเป็นสาเหตุหรือเปล่าต่างคนต่าง ม, ามองหมดนี้เอ๊ะฉันเป็นสาเหตุไหมในการทําให้สังคมไม่ดีอะไรต่างๆนะครับหรือโทษเพื่อนบางทีก็ต่างคนต่างครอบครัวก็โทษกันบอกว่าเขาเพื่อนไม่ดีพ่อแม่ฝั่งนี้บอกเอาเขาเพื่อนไม่ดีพ่อแม่นี้ก็บอกว่เพื่อนไม่ดีอ่ะมันก็สองคนเนี่แหละแต่ตกงคือมันจะไม่ดีมันมาจากไหนอะแสดงว่าเอาของไม่ดีมาแลกกันจากทั้งสองที่หรือเปล่าใช่ไหมฮะมันก็ไม่ใช่ความจริงแล้วก็คือถ้าเป็นผู้ปกครอง พ่อแม่เนี่ยผมว่าหน้าที่เราคือรับผิดชอบร้อยเอร์ซไม่โทรคนอื่นอาจจะเป็นไปได้ปัจจัยภายนอกแต่ว่าเราก็มีสิทธิในการที่จะมีสิทธิเต็มที่ร้อยเปอร์เซนต์รัจึงบอกยาอูฮัลอดีนอามันูอูผู้สัตวาทั้งหลายกูอัลฟ um, ah, um, ุสกุมอัลิกุมนาระจบบอกว่าตัวเองและครอบครัวให้พจากไฟในรกอันนี้คือความรับผิดชอบที่ความรับผิดชอบเดียวที่เราให้หมายถึงว่าไม่ได้วงกว้างกว่านี้มีโอ้โอูผู้สัตวาทั้งห um ลายกูอัลฟุสกุมเราไม่บอกกูอ um, ัลฟุสกุมวุา มุสตามาอาคุมนาโรปกป้องตัวเองและครอบและสังแสังคมให้พ้นจากนรกบอกบนี้ไหมเราไม่ได้บอกแบบนี้ตนเองและครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกหมายถึงว่าอันนี้คือคือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกคนสามารถทําได้และถ้าทุกคนทำเนี่ยสังคมก็ดีโดยปริยายหรือดีขึ้นโดยปริยายนะครับก็อยากจะฝากเอาไว้ในวันนี้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้าใคร มีอะไรที่เพิ่มเติมหมว่าจะดีมากเลยนะครับเป็นคำถามก็ยินดีเช่นกันครับซอลลอห์อัลลอฮนบีอัลกุฮามัดวาลาฮิวซาบิุลสลัมเชินครับเชิญครับตัดญาตขาดมิตนะฮะคือตัดญาตขาดมิตนี่สัมพันธ์ สัมพันธ์เครือญาตินี่คือจําเป็นจะต้องรักษาโดยเฉพาะญาติใกล้ชิดใกล้ชิดที่สุดของญาติก็คือพ่อแม่ไม่ได้และมันมีหลายระดับแล้วก็อาจจะมีหลายเหตุผลแต่พื้นฐานน่ยตัดญาติขาดบิดเป็นบาปใหญ่แล้วก็ต้องดูเหตุผลว่าทำไมถึงแบบนี้แต่ถ้ามีเหตุผลบางอย่างทางศาสนาสามารถที่จะทําได้อย่างเช่นและตัดญาติมันไม่จำเป็นต้องตัดแบบว่าสิ้นเชิงสมมุติว่า เยวยกตัวอย่างเช่นนะครับว่าอ๋อเรามีญาติใกล้ชิดอาจจะเป็นลูกพี่ลูกน้องที่เขาทำความผิดอะไรบางอย่างที่มันมันไม่ดีมากๆอะไรอย่างนี้นะฮะและเราหรือครอบครัวเนี่ยบอกว่าคือไม่ต้องการสัมพันธ์อะไรบางอย่างเพื่อให้เขารู้สึกตัวแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นในยะของการตัดญาติเหมือนกันแต่ตัดเพื่อประโยชน์แต่ไม่ได้ไหมายถึงว่าตัดโดยสิ้นเชิงอาจจะมีความสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ย ระหว่างการได้นะครับแต่มันก็ดูผลประโยชน์ของระหว่างเราสองฝั่งเนี่ยว่าจะขนาดไหนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสมมุติว่าเป็นพ่อแม่เราบอกว่าตัดไม่คุยกับพ่อแม่เลยหรือเป็นพี่น้องกันเนี้ยฮะไม่คุยกันเลยหรือเป็นใครก็ตามที่เป็นคนคนใกล้ชิดแต่ถ้าตัดเลยอันนี้ก็ไม่ได้ภาพรวมที่หลักการศาสนานะครับห้ามตัดย่าถือว่าเป็นบาปใหญ่แต่ก็ต้องดูกรณีว่าตัดเพราะอะไร แล้วก็มีผลอย่างไรก็ต้องลงรายละเอียดนะครับว่ารออะไรมีอย่างอื่นไหมครับเชิญครับมีัหยมุสลิมับคุณป้ามีอะไรสักถามไหมครับยินดีครับ นะครับมีไหมฮะเพิ่มเติมหรือเป็นคําถามก็ได้นะครับก็ถ้าไม่มีก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับในการศึกษาคุตานพี่น้องไปศึกษากเพิ่มเติมก็ได้นะครับแล้วผมคือจะนำนำเสนอแบบว่าค่อยเป็นค่อยไปนะฮะแต่ว่ากุอัตเนี่ย เ, เป็นเป็นมั่วจีสารแล้วก็มีความแปลกเหมือนกับพี่น้องยินของเราเนี่ยที่เขาบอกว่า อ, อ, อะไรนะฮะเราไปพบ กุฎานันอาจบาคือกุฎานที่มีความแปลกแปลกนะฮะมีความมาศจนในกุฎานมากศึกษาเท่าไหร่เนี่ยความรู้ไม่มีหมดศึกษาใครควรครั้งแล้วครั้งเล่ามีมุมต่างๆที่สามารถจะมาพูดคุยหรือเป็นมุมที่จะมาปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิตของเราได้ทั้งสิ้นนะครับอย่างวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าก็บทเรียนผมเองก็ได้รับนะครับจากการศึกษาในแต่ละครั้งนะครับและเชื่อว่าพี่น้องก็จะได้รับบทเรียนเช่นเดียวกันประเด็นสําคัญคือใครควรกุฎาน แล้วก็นําเอาบทเรียนกันใข้ควรเอาไปไปปรับใช้กับชีวิตของเราอันนี้เป็นแน่นอนนะครับกุรานเป็นเขาเรียกว่าคำภีร์ที่มีความร่ํารวยร่ารวยคือบรรคาระกะความร่ํารวยที่ผมบอกตอนต้นเดยว่ากีตาบุลอาซึนนาฮุยอะกับมูบารักุลมูบารักุลนี่คือมีจํานวนข้อมูลแบบมหาศาลแต่ว่ากุญแจที่เราจะไปอาศัยคลังความร่ํารวยนี้คีที่จะไปเอา มูบารกุลตรงนี้เนี่ยมาลากุลมาความจําความเป็นคือมีมากข้อมูลหรือว่าเนื้อหาในกุรานมีมากแม้ตัวบทจะมีจํากัดแต่ข้อมูลมีมากแต่เราต้องมีกุญแจที่ผมฝากไว้ตอนต้นนะฮะและจะเน้นตอนนี้อีกครั้งหนึ่งว่าเราต้องมีกุญแจในการจะไปไขข้อมูลกุญแจที่ว่านี้คืออะไรนฮะเลียดบบรูอิยาติฮีเพื่อจะไข ค, ควรถ้าไม่ไข ค, ควรเนี่ยกุรานก็จะเป็นก็ก็คุรันก็มีเนื้อหาศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วแต่เราเองเราไม่มีกุญแจ ที่จะเอาไปไขคลังแห่งความรู้ในอัลกุรอานถ้าไม่ได้ใครควรเนี่ยก็จะอาจจะขาดกุญแจไปนะครับก ok ็ขออัลลอ์ได้ประทานเตฟิกให้กับพวกเราทุกคนนะครับในการศึกษาเรว่อัลกุรอานวัลลอฮฺและานบีมูฮัมมัดวาล่ะอาลีฮฺวะซฮบีฮวะสแลมุสาลามุอะลัยกุมวะราฮฺมัดุลลอฮวะบริกาตุ